159รวมเรื่องที่มีในจำ ม, มะขันทกัตจำ ม, มะขันทกัมี63เรื่องคือเรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐปกครองหมู่บ้านแ0ด0มนหมู่บ้านรับสั่งให้นายโสนโกริวิสะเข้าเฝ้าเรื่องพระสาตะแสดงอุตริมนุษธรรมอิทธิปาติหาร เรื่องโสน โ, โกริวิสสะเศรษฐีบุตรออกบรรพชาปรารบความเพียรจนเท้าแตกเรื่องทรงเปรียบเทียบความเพียรกับสายพินเรื่องทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าชั้นเดียวเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าสีเขียวเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าสีเหลืองเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าสีแดงเรื่อง ทรงห้ามใช้รองเท้าสีบา น, านเย็นเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าสีดำเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าสีแสดเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าสีชมพูเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้ามีหูเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มส้นเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหุ้มแข้งเรื่อง ท, inet inet ร uniform, ทรงห้ามใช้รองเท้าปกหลังเท้าเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้ายัดนุ่นเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทาเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแกะเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแพะ เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายหางแมงป่องเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าที่เย็บด้วยขนนกยูงเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าที่งดงามวิจิตรเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าที่คลิปด้วยหนังราชสีเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าที่คลิปด้วยหนังเสือโคร่งเรื่อง ทรงห้ามใช้รองเท้าที่คลิปด้วยหนังเสือเหลืองเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าที่คลิปด้วยหนังเสือดาวเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าที่คลิปด้วยหนังนาคเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าที่คลิปด้วยหนังแมวเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าที่คลิปด้วยหนังข้า ง, ร ง, ร ง, างเ ร, ง ร, งรงเื่อง ทรงห้ามใช้รองเท้าที่คลิปด้วยหนังนกเขาเรื่องภิกษุเท้าแตกเรื่องพระฉับพักคีสวมรองเท้าในอารามเรื่องภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้าเรื่องภิกษุไม่ล้างเท้าเรื่องภิกษุเหยียบต่อไม้เรื่องพระฉับพักคีสวมเขียงเท้าเดินเสียงดังกึกกัก เรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยใบตาลเรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยใบไผ่เรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยหญ้าสามันเรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยหญ้ามุงกระต่ายเรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยหญ้าปล้องเรื่องสวมเขียงเท้าสารด้วยใบเป้งเรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยแฝก เรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยขนสัตว์เรื่องสวมเขียงเท้าประดับด้วยทองคำเรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยเงินเรื่องสวมเขียงเท้าประดับด้วยแก้วมณีเรื่องสวมเขียงเท้าประดับด้วยแก้วภัยทูลเรื่องสวมเขียงเท้าประดับด้วยแก้วผลึกเรื่องสวมเขียงเท้าประดับด้วยสัมฤทธิ์ เรื่องสวมเขียงเท้าประดับด้วยกระจกเรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยดีบุกเรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยสังกสีเรื่องสวมเขียงเท้าทำด้วยทองแดงเรื่องจับโคเรื่องพระจับ พ, พัก ค, คีโดยสารยานพาหนะเรื่องภิกษุเป็นไข่เรื่องยานเทียมด้วยโคเพศผู้ เรื่องวอรเรื่องพระจับ พ, พักขีใช้ที่นอนสูงใหญ่เรื่องหนังผืนใหญ่เรื่องภิกษุใจบาปขอหนังลูกโครเรื่องเตียงต่างของพวกคฤหัตหุ้มด้วยหนังเรื่องพระจับ พ, พักขีสวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านเรื่องภิกษุเป็นไข้สวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านได้ เรื่องพระหมหากัจจานะเรื่องพระโสณนะสวดพระสูตรในอัฏถกวัวกโดยทํานองสระพัญญะเรื่องทรงประธานพรห้าอย่างแก่พระโสณนะคือ 1. อนุญาตให้สงปัญจวัคคให้อุปสมบทได้ 2. อนุญาตให้สวมรองเท้าหลายชั้นได้ 3. อนุญาตให้อาบน้ําได้เป็นนิด 4. อนุญาตให้ใช้หนังเครื่องลาดได้ในทักขินาบท 5. ทายกถวายจีวรเมื่อยังไม่ถึงมือภิกษุอนุญาตให้ไม่ต้องนับราตรีจัมะขันทกะ